วันอาทิตย์ที่14กันยายนพศ2540การบรรยายอภิสมยญสังยุตปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพการสรุปประสูรในเรื่องราวที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีอยู่ทั้งหมด104สูตรได้สรุปมา สาครั้งแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการสรุปเนื้อความโดยย่อของพระสูตรโดยลำดับเราวที่แล้วได้สรุปมาจนถึงเอกสารชุดหลังที่แจกให้ไ้พูดสรุปมาจนถึงสูตรที่มีชื่อว่านค ร, ร, ระสูตรนคระสูตรไดพูดแล้วยังครับยังนะฮะปุตตะมังสาสูตรนั้นพูดไปแล้ว อธิราคะสูตรแปลว่าเรื่องมีความกำนัดก็ได้พูดแล้วนะครับตกลงจะต่อที่นัครสูตรนครสูตรซึ่งอยู่ในวรรคที่เจ็ดเป็นสูตรลำดับที่หกสิบห้านัครสูตรนั่นแปลว่าสูตรที่ทรงแสดงธรรมะเปรียบเทียบเหมือนกับการค้นพบพนครเก่าโดยอาศัยทางเส้นเก่าก็คือค้นพบทั้ง เส้นทางเก่าด้วยและอาศัยทางเก่านั้นไปพบนครเก่าซึ่งก็ได้ความว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ของพระองค์พระองค์เป็นผู้ค้นพบธรรมพระองค์จะเกิดหรือไม่เกิดธรรมะนั้นก็ยังคงอยู่นั่นแหละได้จากเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายและความดำริการค้นพบธรรมะที่ทรงเอามาเล่าเนี่ยเป็นเหตุการ ก่อนตรัสรู้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในคืนตรัสรู้เราอาจจะสังเกตว่าได้ทรงตรัสว่าก่อนแต่การที่เราจะได้ตรัสรู้เมื่อ ย, ยังเป็นโพติสัตว์อยู่เราได้ตาดิค้นพบธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นะตรัสอย่างนี้ไว้หลายสูตรหลายเรื่องมากซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้นะเป็นเหตุการณ์เฉพาะคืนตรัสรู้คืนในยามที่สามของวันตรัสรู้ ทั้งนั้นเลยเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมความดําหลี่นั้นช่างมากเรื่องเหลือเกินที่มากเรื่องนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกสําหรับปรากฏการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมว่าผู้ปฏิบัติธรรมเวลาธรรมะผุดขึ้นมาชั่วประเดี๋ยวหนึ่งนั้นน่ะมากมายมากมายหลายเรื่องถึงได้พูดกันในระดับอย่างเราๆซึ่งเป็นการปฏิบัติชั้นต้นเนี่ยว่าถ้าเราจะขีดเขียน พูดถึงเนื้อความที่เราได้พบได้รู้สึกในขณะที่ปฏิบัติธรรมได้ดีๆเนี่ยเขียนไม่ทันบันทึกไม่ทันเพราะว่าเรื่องราวนั้นมากมายเหลือเกินพระพุทธเจ้านั้นเห็นจะกล่าวว่ายิ่งกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าเหตุนั้นจึงได้แสดงสูตรจำพวกหนึ่งด้วยข้อความเบื้องต้นอย่างนี้สิ่งที่ทรงค้นพบหรือดาริก่อนการตัดสรุนั้น ได้ทรงคนปฏิจจะถอยย้อนตั้งแต่ชรามรณะว่าชรามรณะเนี่ยเป็นความทุกข์ของสัตว์เป็นปัญหาในโลกเป็นความทุกข์ในโลกทาอย่างไรจึงจะพ้นจากชะรามรณะได้ชะรามรณะนั้นเกิดจากอะไรก็ค่อยๆ ย, ย้อนไล่ลงไปโดยลำดับจนถึงนามและรูปเราจะเห็นว่าไปหยุดอยู่ที่นามและรูป ได้ทรงพริจารณาว่านามและรูปอาศัยอะไรเป็นปัจจัยได้ความว่าวิญญาณแล้วก็ถามว่าวิญญาณเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยแทนที่จะเลยไปถึงสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณกลับย้อนมาสู่นามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่วิญญาณตรงนี้จึงเป็นอัญญาบัญยาปัจจัยกันเลยไม่ได้แสดงเลยไปถึงอวิชชา ได้ทรงตรัสว่านี่เป็นทุกขสุขมมไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยลำดับอย่างนี้เนื้อความในทางอธิบายเนี่ยผมจะไม่อธิบายตรงนี้นะฮะจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็ต้องพูดในหลายๆสูตรเกินไปในคราวหน้าจะสรุ ป, ปปฏิจจในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจในสูตรนี้เท่านี้และมีความหมายว่าอย่างไร จะมาอธิบายเป็นรูปรายละเอียดแบบสรุปไม่ซ้ำสูตรในคราวหน้าจากนั้นจึงได้ทรงพิจารณาต่อไปว่าชลามรณะนั้นจะดับได้อย่างไรก็ดับเพราะชาติดับปฏิจจาสายดับก็แสดงโดยลำดับย้อนกลับไปจนถึงนามรูปแล้วก็วิญญาณจะกลับมานามรูป เป็นอัญญามัญญปัจจัยขมวดตรงนี้และจากนั้นก็ได้ทรงแสดงจากนามรูปดับย้อนมาโดยลำดับจนถึงชลามรณะดับอันนี้เป็นทุกขณีโลดตาดปันีเป็นทุกขนิโลดคือเป็นความดับทุกและก็ทิ้งท้ายด้วยอุปมาเปรียบเทียบดังที่ปรากฏเป็นชื่อของสูตรสูตรที่หกสิบหกชื่อว่าสัมมาะ ส, ะสูตร สัมมะสะแปลว่าพิจารณาภายในคำว่าพิจารณาภายในเนี่ยหมายถึงพิจารณาสภาวะธรรมคือนามรูปของตัวเองเรียกว่าพิจารณาภายในพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้ที่แคว้นกุรุเป็นที่เดียวกับที่เสดสงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตร ผู้ฟังนั้นคือภิกษุทั้งหลายได้ตรัสว่าผู้พิจารณาปัจจัยภายในตนว่าทุกทุกเนี่ยเป็นคำที่ท่านเรียกแทนชะลาและมรณะว่าชรลามรณะนั้นเป็นทุกจึงตรัสว่าทุกคือชรลาและมรณะมีมากมายหลายอย่าง ชุาหลายแบบมรณะหลายแบบนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นชรามรณะทุกแบบเป็นทุกข์ทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากอุปาธิอุปา ธ, ธิที่เป็นเหตุให้เกิดชลาและมรณะนี้หมายถึงขันธูปาธิขันธูปาธิขันธูปาธิก็คืออุปาธิคือขันธ์มีขันธ์ที่ไหนชลาและมรณะก็มีที่นั้นเพราะ ชลาและมรณะนั้นเป็นอาการของขันจึงตรัสว่าชลามรณะมีอุปธิเป็นปัจจัยอุปธิคือนามและรูปหรือขันนั่นน่ะมีอะไรเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยได้แก่ความปรารถนาจะมีขันนั่นแหละครับทำให้เกิดขันขึ้นเป็นตัวสมูทไทยของขันคือตัณหา ตรงนี้ก็ถ้าเทียบกับอริยสัจสี่ก็คือตัณหาเป็นสมุทัยอุปาธิแล้วเลยไปถึงชรามรณะด้วยเนี่ยก็สงเคราะห์เป็นทุกข์โดยในของอริยสัจสี่แล้วก็แสดงเหตุให้เกิดตัณหาว่าเกิดจากอะไรเกิดจากอายตนะภายในหกอายตนะภายในก็คือเมื่อตาเรามีตาตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ตาคือเพราะเราชอบใจตาเมื่อตาเห็นรูป มอรูฟังเสียงนั่นแหละครับเวลาจะละตัณหาก็ละที่นี่เหมือนกันนั้นใครที่พิจารณาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์คือการรู้ว่าเกิดเนี่ยการรู้ว่ามันเกิดความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ทำให้สิ้นทุกข์แต่ความเกิดแม้เป็นทุกข์ก็จริงถ้าเราไม่รู้ความเกิดว่ามันเป็นทุกข์ ความสิ้นทุ ก, ก็มีไม่ได้ทุกจึงต้องกำหนดรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากความรู้นั้นทาให้ความทุกนั้นหมดไปแล้วก็ตรัสว่าแม้ในอดีตแม้ในอนาคตเนี่ยผู้ที่พิจารณาผิดพิจารณาผิดจะเป็นอดีตพิจารณาอย่างนี้ก็ผิดเป็นอนาคตพิจารณาอย่างนี้ก็ผิดแม้ในปัจจุบัน ที่พิจารณาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาผิดที่ว่าผิดเพราะอะไรคือการพิจารณาใดที่พิจารณาแล้วเนี่ยทําให้ปัญหาเกิดอุบัติเกิดทุกชาติรามรณะเกิดเนี่ยถือว่าผิดเราก็จะเห็นว่าท่านกล่าวว่าการพิจารณาเห็นอารมณ์โดยความเป็นของเที่ยงที่เรียกว่านิจจะ โดยความเป็นของทุกข์โดยความเป็นอเป็นสุขครับทเป็นตัวตนที่เราเรียกว่าเป็นวิปลาสแล้วก็โดยความเป็นอโรคะคือเป็นของไม่มีโลกไม่มีโลกคือไม่ถูกเสียดแทงด้วยวิสภาคปัจจัยแล้วเป็นเขมะที่แปลแบบรูปทับศัพท์ทว่ากเกษม เกษมก็หมายถึงความปลอดภัยเคมะกเกษมความหมายเหมือนกันเคมะหรือกเกษมนะมีความหมายแบบเดียวกันตัณหาก็เกิดตรงนี้ถ้าพูดอย่างธรรมดาก็คือว่าถ้าคิดอย่างธรรมดาโลกเนี่ยตัณหาก็เกิดเมื่อตัณหาเกิดอย่างอื่นก็เกิดตามกันไปเป็นแถว พไปฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการพิจารณาผิดการพิจารณาถูกไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าพิจารณาอย่างนี้ถือว่าถูกเสมอโดยไม่จำกัดการหรือเมื่อเห็นอารมณ์โดยความเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของมีโรค ูเหตุปั จ, จัยตรงกันข้ามเสียบแทงแล้วก็เป็นของมีภัยคือเป็นอันตรายถ้าเราเห็นอย่างนี้ตันหาไม่เกิดดังนั้นการละตันหาเวลากําหนดนามรูปเนี่ยก็จะต้องกําหนดหมายใจตั้งโยนิโสมนธิการให้เห็นความจริงในนามรูปอย่างนี้และผู้ที่ปฏิบัติธรรมะได้ผลก็คือเห็นนามรูปโดยความเป็นอย่างนี้ ตัณ ห, หาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อย่างอื่นก็เกิดไม่ได้นี่ก็เป็นการละสมุ ท, ทยัยโดยสกับเหตุที่ทำให้เกิดสมุทัยอีกทีหนึง่งคือสมุทัยเองก็มีสมุ ท, ทยัยที่หกสิบเจ็ดชื่อว่านละกลาปิยสูตรที่แปลว่า ดุดมัดไมอ้อ้อคือภาษาลิบุตรเปรียบเทียบเองว่านามและรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็อาศัยเองกันเหมือนมัดไม้อ้อสองมัดภาษารีบุตรได้ตอบเรื่องนี้กับพระมหาโกติตาว่าชรามลนาเกิดจากชาติชาติเกิดจากเหตุปัจจัยโดยลำดับอย่างอื่นจนถึงนามรูปเกิดจากวิญญาณ และวิญญาณเองก็อาศัยนามรูปเวลาที่ปฏิสนธิอย่างลงเนี่ยเจตสิกที่ประกอบเจืออยู่ในดวงวิญญาณนั้นและนามรูปที่ผุดขึ้นมารองรับดวงวิญญาณนั้นต่างฝ่ายต่างอาศัยกันนามรูปเป็นที่อาศัยของปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นตัวที่ทำให้นามรูปปรากฏ ท่านพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าไม่ได้ให้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใครทําเกิดไปตามกระแสะเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนเป็นผู้ทำแล้วก็จุดที่ท่านเน้นเป็นอุปมาเขาจะเห็นว่าท่านบอกว่านามกับรูปกับวิญญาณเป็นอัญญาบรญยปัจจัยกันหลุดมัดไม่อ้อสองมัดในสายดับท่านก็แสดงสายดับว่าเมื่อวิญญาณดับ อย่างอื่นก็ดับไปถึงจลาหมอนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ปฏิจจะผู้แสดงปฏิจจะเพื่อความหน่ายเป็นธรรมก็ถือผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่ายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำผู้ปฏิบัติผู้หลุดพ้นเพราะความหน่ายเป็นผู้บรรลุนิพพานสูตรที่68โกสัมพีสูตรแสดงที่โคสิตารามในที่นี้ก็มีพระสี่รูปอยู่ด้วยกัน แต่พระที่เป็นผู้เสนอธรรมะเป็นผู้ตอบธรรมะได้แก่พระมุสิละรูปหนึ่งพระนาระทะรูปหนึ่งท่านมุสิละนั้นได้ตอบว่าท่านเป็นผู้มียานรู้เฉพาะตัวตั้งในแง่เกิดแง่ดับเกี่ยวกับปติจาร์ในแง่งเกิดขึ้นมาเพราะ เ, เอาวิชาสรามรณะเกิดจาก อันนี้เรียกว่าเป็นแง่เกิดเแี่ยดับก็คือเมื่อชาติดับชราโมณะก็ดับแล้วท่านก็กล่าวว่าพบดับเนี่ยเป็นนิพพานพบดับเป็นนิพพานอันนี้เป็นเรื่องเราอาจจะถือว่าเป็นคํายืนยันได้ที่หนึ่งว่านิพพานเนี่ยถ้าเราพูดเพื่อให้ฟังง่ายไม่เป็นแผลแปลกหูแปลกตาบางทีเราบอกกิเลส ด, ดับเป็นนิพพานพุทธพจน์ก็ตรัสว่าลาความสิ้นราค่าเป็นนิพพาน ความสิ้นโทรศาส์เป็นนิพพานความสิ้นโมหะเป็นนิพพานแต่ในที่นี้เป็นว่าสิ้นภพเป็นนิพพานเซึ่งก็ถูกทั้งคู่เพราะว่าเวลาพระอธิกาถาจารย์เมื่อท่านมาสรุปว่านิพพานที่แปลว่าดับนิโรธแปลว่าดับเนี่ยดับอะไรท่านก็บอกว่านิโรธหรือนิพพานเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เป็นผลต่อการดับกิเลส เป็นผลต่อการดับวิบากเพื่อนำรูปพบนี่เป็นวิบากแล้วก็กิเลสนั้นก็ไปกิเลสโลภตุสามูหะเป็นข้อสรุปของอัตถะาาก็ยืนยันได้ว่าท่านสรุปเป็นสองอย่างเนี่ยมาจากพระบาลีทั้งพุทธพจน์ทั้งเทรภาสิทธ์รับกัน แล้วก็ยืนยันว่านิพานไม่ใช่เป็นอาการแต่ว่านิพานนั้นเป็นที่ก่อให้เกิดอาการคืออาการดับนั้นดับแบบสมุทเทประหานเนี่ยครับนิพานเป็นที่อาศัยหรือเป็นปัจจัยและในตัวนิพานเองก็ใครเข้าถึงแล้วก็มีนามมีรูปีกิเลสไปด้วยไม่ได้ไปดูสูตรถัดไปครับ อ๋อเดี๋ยวนิดหนึ่งความจริงเราก็พูดกันมาในรายละเอียดแล้วว่าผู้ที่รู้ปฏิจจะเนี่ยไม่ใช่จะต้องเป็นอรหันต์ทั้งนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะที่เรียกว่าเสขะก็รู้ปฏิจจะสมุปบาทและดับปฏิจจะสมุปบาทได้ในบางส่วนเพียงแต่ว่าการดับพบโดยสิ้นเชิง ผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นดับภพบได้โดยสิ้นเชิงผู้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นั้นย่อมรู้ว่าตัวเองจะดับภพบในโอกาสต่อไปและก็รู้ว่าพระอรหันต์นั้นเมื่อตายแล้วจะไม่มีภพชาติอีกต่อไปเป็นการรู้โดยการอนุมานจากภาวนาญาณของท่านเป็นปัจจัยการอนุมานเนี่ยมีหลายแบบครับอนุมานบางอย่างเนี่ยเป็นภาวนาญาณ น, นะ มันไม่ใช่อนุมานตามวิชาตรรกศาสตร์ว่าจะต้องเป็นแนวความคิดที่อาศัยประสบการณ์มาคิดอนุมานมีหลายชั้นอนุมานจากประสบการณ์จากคำพูดก็เป็นอนุมานระดับหนึ่งถ้าคนปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นวิปัสสนาญาณมรรคผลแล้วก็มีอนุมานอีกอันหนึ่งมันอนุมานระดับนั้นจะเป็นอนุมานที่อยู่ในสังกัดของพวนาญาณเหมือนอย่างพระอริยะชั้นต่ำเนี่ย เวลาอนุมานถึงมรรคถึงผลเบื้องสูงถึงการดับภพบดับชาติรู้ว่าตัวเองจะเกิดอีกกี่ชาติพยากรณ์ตัวเองได้เนี่ยเป็นการรู้ด้วยอนุมาน ร, ระดับภาวนาอย่างเปรียบเทียบว่าถึงท่านไม่เป็นอราหันต์แต่ท่านก็รู้เหมือนกับท่านเห็นน้ําอยู่กตาแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ถูกต้อง สูตรหกสิบเก้าอุปะยะสูตรที่แปลว่าเรื่องความเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทเราพรธเจ้าแสดงที่เชตวันแก็บิคษุทั้งหลายว่าอันนี้ก็เป็นแต่เพียงเน้นอุปอามาเนื้อหาในทางอุปามาอคือปฏิจจานั้นไม่ใช่เป็นของแปลกไปจากสูตรที่กล่าวมาแล้วตรัสว่าเมื่อมหาสมุทรน้ำขึ้นย่อมทาแม่น้า บึงใหญ่น้อยให้น้ำขึ้นด้วยคือย่มทำน้าในแม่น้ำที่ลดหลั่นถัดรองกันมาเนี่ยขึ้นตามไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นอวิชชาเนี่เหมือนเป็นมหาสมุทรเป็นกิเล ส, สศีรษะคือเป็นหัวของกิเลสเป็นแอ่งใหญ่ของกิเลสเป็นบอกเกิดใหญ่ของกิเลสคืออวิชชา เมื่อมีอวิชชาอยู่กิเลสอื่นต้องเกิดเมื่อมีอวิชชามากกิเลสอย่างอื่นก็เกิดมากวิบากอย่างอื่นก็เกิดมากในํานองเดียวกันเมื่อมาหาสมุทรน้าลงแหล่งน้าอื่นก็ลดลงลดลงไปตามลําดับด้วยเหมือนเมื่ออวิชชาดับอย่างอื่นก็ดับทีนี้การดับทุกหรือดับอวิชชาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ดับทีเดียวพรึบหมด ด้วยวิบด้วยมรรคยานย่างเดียวผู้ปฏิบัติจะต้องค่อยๆละด้วยมรรคยานสีขั้นก็คือทําให้น้ําคืออวิชานั้นค่อยๆลดลงและทุกอย่างอื่นก็เป็นอันหมดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอวิชารือตัวปัญญาเนี่ยมันคืออะไรเป็นอย่างไรเนี่ยมันน่ารู้มากว่าอาวิชาคือความไม่รู้นี่มันเป็นอย่างไร แล้วก็เมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยน่ารู้มากทุกวันนี้เราก็ยังรู้เล็กน้อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สู้จะทราบซึงในวิชาในอวิชาที่พระอริยท่านรู้ท่านละได้อย่างจับจิตจับใจต่อไปสูตรเจ็ดสิบสูซิมาสูตรสูซิมาสูตร แปลว่าสูตรที่แสดงแก่พระสุสีมะสูตรนี้ดูเหมือนจะเป็นสูตรที่ยาวกว่าเพื่อนในชุดนี้มีสูตรยาวอยู่ประมาณสักสี่สูตรห้าสูตรนะฮะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรยาวสูตรหนึ่งสูตรอื่นๆนั่นก็มีที่ยาวและมีความแยบยนต์อยู่บ้างคราวหน้าจะเก็บเนื้อความ มาแสดงให้ดูเป็นสั ญ, ญลักษณ์โดยพิสดาร น, นะครับท่านซูสิมะเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านเป็นปริพาชกมาแต่เดิมและในที่ประชุมนะ่ะส่งให้ท่านมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าโดยหวังที่จะให้นำเอาวิชาที่ได้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใช้เรียกคน ให้เข้ามาบำรุงด้วยปัจใจสี่ลาภสการะชื่อเสียงจะได้ปรากฏท่านสุสีม่า ก, ก็ไปบวชบวชเสร็จแล้วก็ไปสังเกตตั้งการถึงความเคลื่อนไหวของวงการสงฆ์ในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ได้ไปเห็นกระสงมาพยากรว่าเป็นพระอหรหันต์กับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปถามว่าเป็นอหรหันต์มีคุณวิเศษอภิญญาอะไรบ้าง ท่านเหล่านั้นตอบปฏิเสธว่าไม่มีวิญญาเลยเลยท่านก็เลยสงสัยว่าเป็นอหรหันต์ทไมไม่มียานวิเศษเหล่านั้นอหรหันต์เหล่านั้นท่านก็ไม่สามารถจะตอบขยายรายละเอียดได้บอกแต่เพียงว่าท่านเป็นอหรหันต์ฝ่ายปัญญาวิมุตติท่านสุทิมาก็ไม่กระจายก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้แสดง ทำชนิดที่ทําให้ท่านสุสิมะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ปัญญาสิวิมุตต์เองในที่นั้นแล้วก็บอกว่าพระอรหันต์เหล่านั้นที่ท่านไปถามเนี่ยก็เป็นอรหันต์อย่างเดียวก็ที่ท่านเป็นพระนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นแสดงฤทธิ์ไม่ได้ฉันใดแม้ท่านก็แ ส, ด ง, ด, ด, สดงไม่ได้ฉันนะั้นท่านแสดงไม่ได้ฉันใดพระอรหันต์เหล่านั้นก็แสดงฤทธิ์ไม่ได้ฉันนั้นจึงเป็นที่รู้ของพระสุสิมะ ความจริงแม่ไม่บอกเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วก็จะต้องรู้แต่พระพุทธเจ้าก็บอกให้เป็นที่ปรากฏให้ท่านสุติมะยอมรับกล่าวออกมาเป็นถ้อยคําปรากฏว่าเข้าใจแล้วว่าพระอาหารหันต์มีสองประเภทเวลาท่านแสดงท่านก็แสดงว่าธรรมธิทิยานเกิดก่อนนิพพานในยานธรรมธิทิยานเป็นชื่อนิพภะอาชื่อวิปัสนานิพพานใยานเป็นชื่อของ มัคคายนิพประยานเพราะฉะนั้นมรรคผลเกิดที่หลังวิปัสสนาญาณแล้วก็รำอภิธิยานทำยังไงมีอะไรเป็นอารมณ์นั่นก็แสดงว่ารรอภิธิยานนั้นกำหนดขันห้าโดยความเป็นไตร ล, ลักษณ์รอมกับเบื่อหน่ายในขันห้านั้นเห็นไตร ล, ลักษณ์เพื่อความเบื่อหน่ายรู้และรู้สึกอย่างนั้นต่อขัน ชื่อว่าเป็นความรู้ของนิพพานในยานเป็นอารมณ์ของนิพพานออของธรรมปฏิทิยานขอโทษนะเป็นความรู้เป็นอารมณ์ของธรรมปฏิทิยานหรือของวิปัสสนาญาณนั่นแหละส่วนนิพพานาในัานคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือละราคะโดยสมุเดเจตแล้วก็หลุดพ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยย่ยอมได้ความรู้ความเห็น ความเกินระดับของปฏิจจาริสสองแต่ไม่ได้โลกิยะอภิญญาและอรูปฌานสี่จะพูดถึงพวกสุขะวิปปะพวกปัญญาวิมุตต์นะพวกปัญญาวิมุตต์ก็รู้ปฏิจจเหมือนกับพวกอุปโตภาควิมุตต์ต่างกันที่ไม่ได้ฌานชั้นสูงกับไม่ได้วัญญาก็ เป็นอหรหันต์เหมือนกันเะนั้นสมัยก่อนกับสมัยนี้เราก็มีความตือพูดเป็นอหรหันต์เนี่ยจะต้องมีฤทธิ์มีเดชอดคิดไม่ได้นี่อย่างอย่า ง, างกรณีของหลวงพ่อคูนี้นะเวลาถ้าใครจะไปบอกว่าท่านเป็นพระอหรหันต์ก็อาจจะถนัดใจ่พูดกันแต่บางเอิญหลวงพ่อคูนท่านบางคนชัดเจนท่าน จะบอกของท่านเสมอว่าท่านไม่ใช่พระท่านเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพูดตลกโปกหาเขามีบ้างเพราะว่ากูก็เป็นธรรมดากูก็พูดตรงตรงเนี่ยตลกโปกหากเพราะกูก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็พูดอย่างนี้ทีนี้นอกมีคนเมื่อท่านพูดปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่มีใครบังอาจที่จะไปบอกว่าท่านเป็นพระล้านนะทีนี้ถ้าท่านเฉยเสียเนี่ย คนที่มานับถือก่อนก็อาจจะมาเตียงว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นแล้วถ้าไปถามท่านท่านเฉยอีกก็ก็กคงยังเตียงกันไม่เลิกแต่เมื่อท่านพูดจะชัดแล้วก็เรื่องว่าท่านเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดถึงมาพูดถึงสูตรเจ็ดสิบเอ็ดต่อสูตรเจ็ดสิบเอ็ดสูตรเจ็ดสิบสอง 73, ็ด 75, บ6า7เจ 79, 8ี่เจ็ด้าเจ็หกเจดเจดแปเจดบ้าแปดสิบแล้วก็แปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสูตรนี้มีเนื้อความเกือบจะเป็นอันเดียวกันต่างกันที่ท่านแสดงว่าผู้ใดที่เป็นผู้รู้ปฏิจจะองค์หนึ่งหนึ่งโดยรูปของ อาเรยสัตตสี 4. อย่างเช่นรู้ชราและมรณะโดยสภาพะภาพหมายถึงตัวชะลาและมรณะว่าเป็นอย่างไรรู้ความเกิดนะหมายถึงเหตุเกิดเหตุเกิดก็ความเกิดนี่เป็นอันเดียวกันนะอาการเกิดด้วยแล้วก็เหตุเกิดด้วยเป็นอันเดียวกันแล้วก็ความดับเหตุดับด้วยความดับด้วยเป็นอันเดียวกัน ปฏิปทาสู่ความดับตรงนี้ในทางอธิบายเนี่ยมีความชัดเจนมากก็อย่างเร่องความดับเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างดับคือดับละขณะอันหนึ่งกับดับคือดับทำลายอำนาจไม่ให้มันมีปรากฏการของความชลานั้นอีกต่อไปในภพใหม่ชาติใหม่วัะนนะั้นปฏิปทาที่นำไปสู่ความดับชลาและมรณะเนี่ย ท่านจะหมายถึงมรรคแปด<ม>ก็คือคนที่ทําวิปัสนาปานะนั่นแหละครับชื่อว่าทําปฏิปทาไปสู่ความดับ แ, แต่ในที่นี้ท่านหมายถึงถึงความดับได้ด้วยอย่างว่าเราทํากรรมฐานอยู่เนี่ยเราก็เจริญโลกเกียมรรคแต่ยังไม่ไปสู่ความดับแท้จริงของฌราเมรนะแต่เมื่อใดเราปฏิบัติไปจนถึงจุดสมบูรณ์ ของมักมักนั้นก็สังหารหรือทําชลาและมรณะนั้นให้ดับตรงนี้เนี่ยเราจึงเห็นได้ชัดอันหนึ่งว่าเราจเจริญมักแปดเนี่ยเพื่อละกิเลสหรือละวิบากอย่างที่เราเคยพู ด, พดกันมาเนี่ยมาทั้งสองอย่างเลยนะทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าถ้าชรามรณะนี่เป็นวิบากหรือเป็นกิเลสเป็นวิบาก น ะ, ะเป็นทุกการดับทุกด้วยมักแปกก็ถูกการพ้นทกุก็คือหมายถึงอย่างนี้และพร้อมกันนั้นก็ละกิเลสไปด้วยมันอยู่ที่จริงมันคราวเดียวกันแหละครับเราละกิเลสคือว่าเราละตัณหาในขั้นอาารหันได้เนี่ยเดียวนั้นก็ โดยฉับพลันทันทีนั่นแหละชื่อว่าทุกที่จะพึงเกิดจากตัณหานั้นในพบใหม่ชาติใหม่ไม่มีอีกต่อไปเป็นอันเดียวกันทีนี้เวลาเทศเนี่ยบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าละกิเลสบางครั้งก็ตรัสว่าละวิบากคือชะลามรณะหรือแม้องค์อื่นเหมือนกันองค์ปฏิจจ์อื่นก็เป็นวิบากทีนี้ถ้าบางองค์เนี่ยเป็นองค์ที่เป็นกิเลสอย่างละ อันหาที้เป็นกิเลสจะเห็นว่าเโดยองค์นะถ้าชลาโมานั้นให้เป็นวิบากแต่มีความหมายไปถึงกิเลสพอเวลาที่พูดถึงล่างกิเลสมีความหมายไปถึงวิบากในจับลันทันทีนั้นด้วยแล้วบางครั้งบางแห่งนั้นหมายถึงสองอย่างถ้าเอ่ยถึงในที่อื่นก็มีเอ่ยถึงในปฏิจจาก็คือละพบพบมีสองอย่าง คือวิบากแล้วก็กรรมในนั้น ม, กรรมนะีกรรมที่เรียกว่ากรรมมาพบแล้วก็วิบากอยู่ในนั้นที่นี่ว่าสมณะหรือพรามผู้ใดที่รู้ชรลามลณะหรือปรากฏการของนามรูปในกระเป๋ะหนึ่งตรงนี้ โดยรูปโดยความเป็นอริยสัจสี่ชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้นั้นเป็นพรามได้ประโยชน์จากพรามถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นพรามไม่ได้ประโยชน์จากพรามข้อความท่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความที่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดเกณฑ์ตรวจสอบหรือเกิดสิ่งที่เป็นแรงกระตุน้นอย่างที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วว่า เราได้ประโยชน์จากธรรมะหรือไม่ในพูดถึงในแง่ธรรมะแต่นี้ท่านพูดถึงในแง่เพศซึ่งมันก็โยงไปถึงธรรมะ <c oughs> ถ้าพูดอย่างในแง่ธรรมะก็คือว่าเราได้ประโยชน์จากชราและมรณะหรือไม่อย่างงี้นะชลามรณะนี่เราหาประโยชน์จากมันได้ใช่ไหมครับเราได้ประโยชน์จากตัญหาหรือไม่เราได้ประโยชน์จากสติปัฏฐานหรือไม่พอหาประโยชน์ได้ ในลักษณะที่ที่จะพึงได้อย่างไรทีนี้ว่าเมื่อเมื่อบวชเข้ามาเป็นธรรมนะพราหมณ์เป็นบรรพชิตตามที่ท่านว่าเนี่ยถ้าว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านนึงสอนธรรมนาสัญญาธรรมนาสัญญาคือต้องคอยเตือนตัวเองคนเนี่ยเวลาผมผาเหลืองพัดเนี่ยสัญญามเปลี่ยน ท่านอยาถามมารู้ได้ไงรู้จากคนอื่นแล้วก็รู้จากเราสมมุติตัวเราเองนะว่าคนที่ไม่ได้บวชพอบวชปั๊บเนี่ยสัญญาเปลี่ยน เ, ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นสัมมาณะขึ้นมาทันทีอย่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องคอยนึกอยู่เสมอสมัมมาณสัญญาว่าบัดนี้เรามีเพศจากต่างคารวต่างจากคารวะแล้ว ต้องคอยนึกคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ เ, มอเวลาจะทําอะไรจะนั่งจะคู่เข้าเหยียดออกจะทําอะไรก็แล้วแต่นี่นะหรือจะโครจรไปที่ไหนสัญญานี้ก็จะมาเตือนว่าเรามีเพศจากต่างจากต่างจากคารืหัดกะลั้นกําลังยืนดื่มน้ําอยู่ก็ต้องลงนั่งซุดลงนั่งอะไรอย่างนี้นะหรือว่ากรณีอื่นอื่นๆ สัญญาก็จะมาค่อยเตือนอันนั้ น, น่เป็นการพูดถึงสมณสัญญาขั้นเหตุขั้นเหตุนี่ถ้าเป็นขั้นผลเนี่ยคื อ, อตรงนี้ความเป็นธรรมณะพระรามขั้นผลหมายถึงเป็นอริยะสมณะเป็นอริยะพราะรามก็คืออริยะสงอริยะบุคคลโดยที่ความจริงไม่ต้องคิดก็เป็นอยู่แล้วไม่ต้องคิดก็ไม่ตกต่ําอยู่แล้ว ถ้าเป็นขั้นเหตุเนี่ยต้องคอยคิดเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองตกตำ่ำแล้วก็ไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเราได้ประโยชน์จากความเป็นธรรมนราพรามอยู่แล้วอันนี้เป็นของแน่แต่ถ้าคิดก็ทำให้เราได้เกิดปัจจเวกเกิดความชัดเจงขึ้นปฏิญาณต่อผู้อื่นได้ยืนยันต่อผู้อื่นได้ทีนี้ถ้าหากว่าในขั้นเหตุเนี่ยก็ต้องคอยคิดว่าเราเป็นจริงหรือเปล่า เราได้ประโยชน์อย่างง่ายๆว่าการบวชนี้เราเราเป็นพลาจริงๆหรือเปล่าเราเป็นชีจริงๆหรือเปล่าเราได้ประโยชน์จากการเป็นนี้หรือเปล่าก็ต้องไปคิดอันนี้ให้มันเป็นขั้นไปสูตรอื่นที่เหลือเหมือนกันเหมือนกันโดยหลักใหญ่ต่างกันในส่วนของอารมณ์ที่กําหนดรู้ คือรู้ชาติรู้ชลาลูมรนะหรือรู้ขึ้นไปถึงสังขารท่านได้แบ่งเป็นสูตรหนึ่งหนึ่งไว้ตรงนี้มีปัญหาว่าเรารู้ปฏิจจะเนี่ยต้องรู้ครบทั้งหมดทุกองค์หรือรู้องค์เดียวได้ไหมหรือรู้องค์เดียวไม่ได้ต้องรู้เป็นบางท่อนเออผมจะมาตอบเมื่ออธิบายในรายละเอียดกล่าวถัดไปนะฮะ เราก็จะยกตัวอย่างในกรณีที่อ้างอิงให้ฟังว่าเออเวลาเราจะกาหนดรู้แต่อวิชชาอาวิชช า, าวิชาอย่างเดียวไม่รู้ไปถึงสังขารจะได้หรือไม่รู้แต่สังขารอย่างเดียวไม่รู้ไปถึงวิชาจะได้หรือไม่เอ่านี้ก็จะไปต่อวักที่เก้าซึ่งมีอยู่ทั้งหมดสิบสองสู่ที่เรียกว่าอันตรปยานวักเนี่ยแปล ว, ว่า ตอนที่ท่านกล่าวละความในระหว่างสูตรไว้ท่จวาระความก็คือเมื่อบันทึกพระไตรปิฎกเนื้อความส่วนประกอบที่เป็นผลละความอื่นละไว้คงไว้แต่เนื้อความที่เป็นจากความคือความหลักความโมนาเนี่ยสูตรพวกนี้ดีว่าตอนที่เราพูดเราก็รู้สึกว่า พึงใจมาอ่านอีกมาสรุปอีกก็ก็ยังรู้สึกว่าพึงใจไม่หายอยู่นั่นเองนะครับที่ท่านตรัสถึงสัตตุสูตรว่าผู้ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทควรแสวงหาครูเนี่ยคือผู้ใดไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท12สองไม่รู้ชร า, ามรณะไม่รู้ชาติ โดยรูปอริยสัจสี่คือเป็นความรู้ปฏิจจาขั้นสมบูรณ์และตรงนี้ในพุทธประสงค์เนี่ยทรงมุ่งหมายเอารู้ขั้นโลกุตระเป็นที่สุดนะครับขั้นโลกุตระรู้ในรูปอริยสัจสี่พึงแสวงหาครูก็หมายว่าใครที่ยังไม่ได้บรรลุอริยสัจสี่ควรหาครู อรียสสีในปฏิจจะแต่ว่าครูนั้นไม่สามารถจะให้ความบรรลุได้โดยตรงไม่ให้ความรู้ขั้นบรรลุได้โดยตรงครูนั้นให้ความรู้ในปฏิจจะได้ในขั้นของเทศนาหรือขั้นของสุตตาครธตา้ตาเวลาท่านสอนนะก็เป็นรูปของสุตตาทีนี้ก็อย่างที่เราเคยพูดว่าเวลาครูสอนเนี่ย ไอ้จุดที่เป็นคุณค่าของความเป็นครูอันหนึ่งในพระพุทธเจา้าหรือในครูที่ดีๆ ท, ที่ให้ธรรมะเนี่ยครับคือสอนและมีพลังทำให้คนปฏิบัติได้สอนไอ้สอนทิ้งทอนกว้างเนี่ยมันง่ายสอนสอ น, สอนไปในลักษณะสัมดงภูมิรู้หรือสัมดง ข้อมูลเท่าที่ตัวเองมีมันก็ง่ายอีกแต่ว่าคนที่ที่เขาสอนแบบเลือกสอนแล้วก็สอนแล้วมีพลังในลูปต่างๆจะเป็นพลังในเรื่องของวิธีเทศนาวิธีการกระตุ้นเตือนหรือวิธีการใช้พลังที่ออกมาจากตัวท่านจากวิชาจากยานนของท่าน ทำให้ผู้ฟังแล้วเกิดการปฏิบัติตามได้โดยง่ายๆได้รับผลได้ง่ายๆอันนี้เป็นความพิเศษของครูคือพระพุทธิจา้าหรือผู้ที่ท่านเป็นครูได้อย่างดีเราก็ต้องสังเกตเอาว่าเออบางบางท่านเวลาท่านสอนท่านเทศมีผลในทางความน้อมรับในทางปฏิบัติตามได้สูงมาก แต่บางคนไม่มีผลทางนี้แล้วบางคนมันอาจจะมีผลในทางกลับสารปัดกลับสารปัดเหมือนก็ว่าคือยิ่งพูดยิ่งยิ่งคนยิ่งหันกลับอ่ะเป็นไปได้ไหมใ ห, ให้นึกเอาเองนะต่างคนต่างนึกเอเองมันเป็นไปได้คือบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าอย่างที่เราคุยว่าบางคนเนี่ยพี่ยันบอกว่านี่คุณสอนเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เชื่อ พูดเท่าไหร่เท่าไหรไ่ไม่ไม่ไม่ทำตามอะไรเงี้ยให้เราก็ก็บอกว่าเออถ้าเราเทียบลักษณะแตกต่างระหว่างคนที่พูดบางทีก็อาจจะพูดไม่มากแต่คนเขาเงียโสดดับคล้อยตามได้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยบางทีเทียบด้วยด้ความฉาฉานในการพูดหรือข้อมูลอะไรต่างๆนี่มันมัน มันอาจจะพอๆกันหรือว่าไอคนที่สอนแล้วได้รับความสําเร็จเนี่ยอาจจะน้อยกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันมีบางรายที่ชห้เห็นหรือเคยบอกกันไปเนี่ยว่าคนที่สอนบางคนแล้วสอนแล้วเขายิ่งไม่เอาเพราะว่ามันมีลักษณะของโลภโลภจะให้คนเชื่อสอนด้วยความโลภจะให้เชื่อแบบจับมือสอนเนี่ยกูเชื่อฉันนะอะไรเงี้ยคนมันก็ยิ่งไม่อยากเชื่อคนยิ่งไม่อยากเชื่อทีนี้ คนที่สอนแล้วคนเชื่อเนี่ยคือสอนแล้วไม่ไม่เหมือนไม่เยื่อใ่ไม่กำหนักในสิ่งที่ตัวเองบอกกลับเป็นว่าให้ไปสอนอย่างนั้นเขากลับอยากเชื่อนี่พูดถึงคนฉลาดฉลาดนะเขาอยากเชื่อทีนี้ถ้าให้บางคนเนี่ยอาจจะต้องสอนแบบแบบมันมือชกพูดแล้วต้องพยายามทำให้ยุตให้ เราล้อนไปกับความเห็นความเชื่อของตัวผู้สอนถ้าการณีอย่างนั้นถือว่ามันไม่ได้ไประโยชน์ในทางปฏิบัติมันอาจจะได้ผลแค่ว่าความเข้าเป็นพวกความนิยมในความเห็นของตัวเองถึงมีพ่อแม่คนหนึ่งลูกเขาดื้อเขาก็บอกว่าเออทไงเนี่ยเขาสองคนพ่อแม่ช่วยลุมสอนลูกไม่เชื่อาไม่เชื่อคนอื่นเชื่อคนอื่นก็บอกเขาเนี่บอกว่าเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนแบบโลภย่าให้เชื่อโลภแกมบังคับต่อให้พ่อแม่มีความรู้ดียังไงลูกก็ไม่อยากเชื่อเพราะลูกเขาต้องการอิสระแต่เขาไปเชื่อคนอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่โลภสอนแล้วเชื่อไม่เชื่อเขาไม่เดือดร้อนตารับนั้นนะมันเรื่องประโยชน์ของคุณเรื่องอะไรมันกลายเป็นว่าดีไป นี่พูดถึงบางบางบางรายที่เป็นเป็นปรากฏการณ์จริงๆทีนี้ถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทำสองอย่างท่านทำสองอย่างแตกต่างไปในแต่ละคนนะ่ะแล้วก็ท่านรู้จักวิธีอมีรายละเอียดอยู่เยอะทีเดียวเยอะกว่าตรงนี้แต่ว่าไอ้ที่แน่ๆก็คือว่าไอ้การทําเหมือนที่พยายามจะให้เชื่อเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้ยึดถืออยู่นั่นเองใช่ไหมฮะ แต่้บอบกว่าท่านสอนแล้วท่านไม่ติดไม่ติดสิทธิ์ไม่ติดสิทธิ์ไม่โลภไม่ได้คิดจะได้สาวกไม่คิดจะได้ความนับถือไม่คิดจะได้ลาภ ก, การะไม่คิดที่จะเอาไปเปรียบเทียบแข่งขันเอาหน้าเอาตากับสมณะพราหมพวกอื่นสอนแบบปล่อยก็เลยมีผลมากกว่าตรงนี้เป็นปรตโขสาเป็นเหตุภายนอก ให้หาเหตุภายนอกถ้าเราหมายใจจะได้เข้าถึงความสูงสุดในทางธรรมะถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าเอ้ยธรรมะเราปฏิบัติเองก็ได้ก็ชักไม่แน่ใจว่าถูกสิบอก ก, ก็ถูกเหมือนกันถ้าหากว่าผู้นั้นมีความรู้ในธรรมะดีคือได้ความรู้จากครูมาก่อนพอถึงยังไงผู้สแสวงหาครูเนี่ยก็ไม่ใช่ แหวงหาครูให้มารับจ้างทำแทนตัวแล้วมารู้ความรู้เอามาให้ตัวแหวงหาครูมาก็เพื่อที่จะบอกให้ตัวทําอยู่นั่นเองซิกขาสูตรที่แปลว่าเมื่อไม่รู้ปฏิจจานี้ให้ทำวามศึกษาอันนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการของการข้าไปกำหนดรู้คือศีลสมาธิปัญญาครับ เป็นขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเริ่มน้อามคำมหาข้างในแล้วก็สี่แปสิบสี่ไม่รู้ปฏิจจาให้ทําความเพียรก็คือให้ลงมือทําตามกระบวนการนะั้นโยครับแล ว, ว่าความเพียรแล้วก็ชันทะคือให้ทําด้วยความพอใจด้วยความยินดีซึ่งเป็นของยากแต่เราก็พูดได้ว่าชั้นทะ ในการกระทำทุกเรื่องเว้นไม่ได้เลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการรู้ทำการปฏิบัติธรรมนั้นยากที่บุคคลจะพอใจใครที่ได้ความพอใจในธรรมะในใรศิกขาในการลงมือทำความเพียรตามศิกขาที่ได้มาจากครูเป็นของยากใครมีชันทาระดับสูงๆอย่างนี้ ท่านก็โชคดีต้องรล่อเลี้ยงรักษาไว้แปดสิบหกอุตสาหะให้ไปรู้ปฏิจจาเนี่ยควรอุตสาหะอุตสาหะก็คือความเพียรที่ยิ่งขึ้นไปอย่างไม่ยอ่ทอท้อแล้วก็อปฏิวานิยะหรือปฏิวานีที่ว่าไม่ยอ่ทอท้ออันนี้ก็พูดใด้จนกระทั่งชวนท้อเหมือนกันเนาะป ปฏิจจสมุปบาทนี่การจะได้รู้นี่ช่างยากเย็นเลยแล้วเกิดไม่ย่อท้อกมันแปลิีบาลีแปลว่าไม่ไม่หมุนกลับไม่หมุนกลับไม่หันกลับกลับก็คือกลับมาสู่ความไม่อุตสาหะกลับมาสู่ความไม่พอใจกลับมาสู่ความไม่มีโยคะกลับมาสู่ความไม่ดําเนินตามใจสีกขาอย่างเงี้ย เรียกว่ากลับคนยอ่อทอก็คือคนกลับถึงจุดทอถอยเข้าก็วางมือจากภารกิจที่ทำนั้นเแล้วก็ทำความเพียร น, นั้นให้มีตะบะหรือเมื่อไม่ยอ่อทอแล้วก็ความเพียร น, นั้นจะเริ่มมีตะบะเหมือนไฟที่เผาเผาตรงนี้ท่านก็มุ่งถึงเผากิเลสแล้วก็เผาวิบากหรือเผากำให้ เกิดแทงเกิดหายไปจากสันดานของผู้นั้นที่เรียกว่าอาปาปีวิริยะความเป็นผู้กล้าแปลตามสัพผู้กล้าหาญแล้วก็ความเพียรต่อเนื่องที่เรียกว่าสาตัจั่นี่ก็เป็นอีสุดหนึ่งทำอย่างต่อเนื่องคือความทีของความเพียร น, นั้นยิ่งทีเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แล้วก็สติคือความระลึกไว้ทำด้วยสติธรรมะชัญญะอัปปมาทะนี่ก็เป็นคุณภายในตัวอื่นๆที่ท่านบอกไว้เป็นสุตรเป็นข้อข้อคือการแสดงเป็นข้อข้อเป็นเรื่องเรื่องเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครปฏิบัติอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันพูด พูดเดียวหมดหลายๆข้อเนี่คนทําไม่ไหวในภาคปฏิบัติเนี่ยนะเพราะนั้นธะรรมะอันเดียวในภาคปฏิบัติคนทําได้ประสบการณ์สำเร็จเนี่ยยิ่งใหญ่มากอย่างเช่นว่าสมมติเราคนกําลังไม่มีฉันท่าในการปฏิบัติเนี่ยนะกา ล, ลังเซ็งสุดขีดเบื่อสุดขีดเนี่ยอจะไปพูดข้ออื่นๆเยอะแยะสูงๆเนี่ยก็ารับไม่ได้ชวนเบื่อมะนามากยิ่งขึ้นเป็นภาระมากยิ่งขึ้น เพราะนั้นว่าทำยังไงถึงจะเรียกเจิตใจให้กระชุ่มาช่ชวยขึ้นมาได้ก็ต้องทำให้เกิดจันทะก็แสดงเจอะเข้าไปที่ตัวนั้นสูตรทั้งหมดสิบสองสูตรในวักนี้อธิบายเท่านี้ต่อไปวักสุดท้ายนะครับวักสุดท้ายเรายัางกลุ่นๆอยู่ในหูอยู่เนื่องจากว่าเพิ่งจบไป วัรนี้นะแสดงถึงอนิสงของการได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมจากที่เราหลวงพ่อุทธเจ้าได้ทรงแสด ง, สดงปฏิจจามาปฏิจจาเนี่ยแสดงในฐานะเป็นตัวอารมณ์เป็นหลักแล้วก็ตรงวรที่เกานะเป็นคุณเครื่องกำหนดรู้อารมณ์คือปฏิจจา หลังใหญ่ก็มาอยู่ตรง น, นี้แล้วก็วักที่สิบนั้นเป็นผลได้หรือเป็นอนิสงส์หรือเป็นคุณค่าที่ผู้กำหนดรูปฏิจจะด้วยคุณเครื่องรู้ตามวักที่เก้าก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการบรรลุธรรมในที่นี้ท่านแสดงไว้เป็นประโยชน์ชั้นสูงไม่ได้แสดง ประโยชน์ในเบื้องต่าอื่นๆเมื่อถ้าเราจะพูดกันถึงอริยบุคคลสี่ประเภทตั้งใจไว้นานแต่ยังไม่มีโอกาสจะได้พูด ท, ทันทีอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยในสูตต่างๆมีเยอะเราก็เอามาเรียงได้เยอะอย่างเช่นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่จนเลย อ, อย่างนี้เราก็ออยิ่โช่น่ะ ค่อยศพใจชาวบ้านหน่อยแต่ถ้าบอกว่าเป็นพระโสดเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ตกอบายาก็อึดอัดหน่อยสําหรับแต่รู้สึกว่าตอนนี้อยากได้คนหนึ่งมากกว่าพลังโสดาบันฉุดค่างเงินไม่ให้ร้อยตัวสูงมากนะไม่ตกอบายก็คนไม่เชื่อก็อาจจะไม่รู้สึกเห็นกุ่คก้าแต่พอบอกว่าเป็นพระโสดาบานัน ไอ้ละกิเลสบางอย่างก็ยังพอครึ่ ง, ง, ง, งๆกลางๆละอะไรไปได้บางเหลืออะไรได้บางแล้วเป็นผู้เหลือเกิดอีกเจ็ดชาติไอ้ตรงนี้นะถือเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าผู้ปฏิบัติทำรองถึงขั้นนี้แล้ว<อ>ก็หันหน้าไปหาพระนิพพานรู้ว่านิพพานเป็นสิ่งดีที่สุดเวลาที่พระโสดบันมี ปัญหาความทุกข์ความเบืดร้อนอะไรขึ้นอย่างธรรมดาชีวิต อ, อของผู้ที่คลองขันเนี่ยเวลาใครพูดถึงนิพพานถึงจุดหมายปลายทางก็จะเกิดกำลังใจขึ้นทันทีนะว่าเราใกล้นิพพานแล้วอะไรแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งดีที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นโซดาบะเพราะนั้นในสูตรทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นแต่เน้นอุปมาแล้วก็นาไปสู คุณนวิสผลที่ดีที่สุดที่ทรงแสดงไว้เป็นอันเดียวคือทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็ทุกข์ตรงนี้หมายถึงทุกข์ในสังสารวัฏทุกข์ที่เหลืออยู่กับทุกข์ที่หมดไปหมดไปเนี่ยเราเกิดมาจากชาติก่อนถึงเดี๋ยวนี้ชาติก่อนเนี่ยเป็นทุกข์ที่หมดไปแล้วใช่ไหมฮของเรานะของพระโสาบานก็หมดไปแล้ว แต่ที่ว่าหมดไปนี่หรือไม่หมดไปท่านหมายถึงอนาคตที่จะเกิดในอนาคตอย่างเราเนี่ยถ้าเรายังเกิดโดยยางไม่จํากัดชาติพุกในสังสารวัตเรายังไม่หมดเลยยังไม่หมดไปเลยเพราะไม่ถูกจํากัดชาติแต่พอเป็นโสดาบันเนี่ยเหลืออีกเจ็ดชาติเพตอะนั้นที่หมดไปเนี่ยไม่รู้กี่ชาตินับไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเวียนวปแต่เกิดไม่มีเบื้องปลาย แต่ที่เหลืออยู่นะพูดได้คือเจ็ดชาติมันก็เลยเจ็ดกับเท่าไหร่ก็ไม่รู้พระโสดาบันกลัวการเกิดเพราะเห็นแล้วว่าความมีรูปมีนามเป็นความทุกข์อย่างไรไอ้ตรงนี้นะถ้าพารณนาให้คนที่กำลังเบื่อโลกคิจะกล้าตัวตายนะพูดให้ทราบซึงได้ง่ายกว่าคนธรรมดานะธรรมทาแม้อย่างเราเนี่ย จะเกิดความฝืนชีวิตนี่มันเป็นทุกข์มันน่าเบื่อถ้าพูดให้ดีนะไม่จะไปพูดย้วยเขาฆ่าตัวตายหาทางออกที่มันเหมาะสมก็จะเข้าใจทราบซึ่งเพราะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่ธรรมดาก็รู้สึกว่ายัางยังใจเย็นเย็นยังใจเฉยอยู่ถึงจะรู้ว่าเกิดเป็นทุกข์ก็มันเป็นเรื่องหลักการแต่เมื่อใดที่ เมื่อใดที่เราไม่พูดถึงว่าเมื่อใดไปปลาไปปรากฏตอนปฏิบัติธรรมเมื่อใดที่เรามีปัญหาชีวิตเห็นคนเป็นทุกข์เป็นมะเร็งเป็นอะไรกันอย่างเงี้นะเมื่อนั้นก็จะเกิดความรู้สึกว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆน่ากลัวมากถ้ายิ่งไปเห็นนรกก็ก็ยิ่งกลัวเมื่อเกิดปัญหาชีวิตอย่างรุนแรงขึ้นสำหรับในบางคนก็ก็รู้สึกว่า หน่ากลัวน้าเบื่อก็ เ, เป็นผลในทางชื่นใจสูตรแรกนั้นเปรียบเหมือนผุนที่ติดปลายเล็บกระฝุนในแผ่นดินมันมากเทียบกันไม่ติดเลยกี่ส่วนกี่เท่ากันก็ไม่รู้แล้วก็สูตรที่ถัดไปปกครอในสูตรปกครองสูตรนะเทียบเหมือนกับน้ํำในสามปกครองกับน้ำคำน้ำําที่วักขึ้นติดอยู่ที่ปลายยาคา เทียบส่วนกันไม่ได้แล้วก็เหมือนน้ำที่ปากน้ำร่วมคือน้ำไหลายๆสายมาร่วมกันตําลองปิงวังยมน่านร่วมประสานเป็นดานใหญ่โตเรียกว่าปากน้ำโพน้ำสองสำยดแล้วก็น้ำสองสยดอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าส่วนเหลือส่วนหมดนะฮะต่างกันที่ว่าเอาตรงไหนขึ้นถ้าเอาว่าน้าวักกับน้าในแม่น้าร่วม น้ำสองส่วนนั้นยังอยู่ด้วยกันนั่นเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองก็น้ําที่เหลือสองลำหยดที่หมดไปขอโทษสองลำหยดกับน้ําที่เหลือที่ปากน้าร่วมปฐวีสูตรสองสูตรอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกับก้อนดินเท่าเม็ดกระเบื้กับแผ่นดิน จะเหลืออยู่ทั้งสองส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งหมดไปในสูตรหลังเมื่อเทียบกันแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะเดียวกันมากน้อยผิดกันลิบลับประถมสมุติสูตรกับทุติยสมุติสูตรก็ทำนองเดียวกันน้องน้ำสองสำยดที่วัดจากทะเลกับน้ำในทะเลแล้วก็ประถมปปปตะปปประตูสูตรปปประตูปมาสูตรเหมือนกับ เขาหิมาวันกับก้อนหินทำเมล็ดพันธุกก์ประกาศสูตรหนึ่งสูตรสองอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับเว้นสูตรที่ร้อยสี่ไว้ต้องการจะบอกว่าทุกของพระโสดาบันคือในทุกในในสังสารวัตวัตถุเนี่ยเหลืออีกเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่ง ชาติอื่นๆที่เกินชาติที่แปดไปจนถึงชาติเป็นอนเนกไม่กำหนดไม่มีแล้วสำหรับสูตรที่ร้อยสี่เนื้อความแปลกออกไปตรัสว่าการบรรลุโสดาปติมัคท่านใช้คำนี้เลย ประเสริฐกว่าการบรรลุคุณวิเศษของอัญญะเดลถีดุดเขาสิเนรุมากกว่าก้อนหินเจ็ดก้อนนั้นก็คือคุณนั้นเทียบันไม่ได้ทีนี้ปัญหาว่าคุณวิเศษของพวกอัญญะเดลทีคืออะไรข้อนี้นอะทรงตรัสหมายเอาถือพวกฤทธิเดชเป็นที่สุด ชาญแปดชานเก้าอภิญญาทั้งหลายที่พวกเดลถิมเีเทียบกับการบรรลุเป็นโสดาบันไม่ได้คือพูดง่ายๆว่ากรณีอย่างนางวิสาขาเนี่ยคุณของนางวิสาขาเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับฤาษีชีไพรที่หาะเอืนเดินอากาศได้พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่านางวิสาขาประสงกว่าประเสริฐกว่าเพราะอะไร เพราะว่าพวกฤาษีเนี่ยหอไปยังไงก็ไม่พ้นชาติราหมาละนะเหมือนอย่างฤาษีตนหนึ่งที่เราเคยพูดทีน่นประสูนที่แกหอ่อห่อได้ละห่อไปเพื่อที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่โลกสู่ภูมิที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆไปหาพุทธกเกษตรของของมายางเขาก็ไปตายเสียในระหว่างทางดูเนี่ยหอหอไปหาจนตายอ่ะ ตายแล้วไม่ใช่พ้นนะตายแล้วก็ต้องเกิดมาตายถึงไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมาฝ้ารู้เที่้าสู้นางวิสาขามาันจะหอบไม่ไ ด, ไได้ไม่ต้องหอบไปไหนอยู่ไปวันๆก็ไปที่ผ่านเองนางวิสาขาหรือพระอธาธนานาธรรมิติกาเศรษฐีก็เป็นนันว่าอันนี้เป็นการสรุปจบแบบเนื้อความค่อนข้างจะหวนๆซันซัน คราวหน้าและคงจะติดต่อกันหลายครั้งนะครับจะเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทในกรอบของพระสูตรนี้พร้อมทั้งทำ ท, ที่ยังยิงโยงกับไปหาสูตรแต่จะเป็นไอจุดประเด็นที่จะอธิบายแบบละเอียดชัดเจนแต่ทำให้กลายเป็นสิ่งที่มาอยู่ในที่เดียวกันก็จะทำให้เมื่อท่านฟังตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอภิสมัยญาสังยุตที่ โดยทั่วไปอ่านกันแล้วมันก็จะยากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นของที่ทำให้เราแทงตลอดเลยผมขอยุติท่านี้นะครับ